เทศอบรมพระณวันที่27มิถุนายนพศ25าโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปโนณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการบวชเข้ามาในพระศาสนาก็เทียบกับว่าการเกิดใหม่ าชาติความเป็นมนุษย์กลายมาเป็นพระชาติดังเดิมคือเป็นมนุษย์เราทุกคนเป็นมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายรียากหวนนุกด้วยกันทั้งนั้นนันเป็นชาติที่เป็นมาจากกําหนดที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาเป็นคน เมืองตนก็เป็นคนตามบ้านตามเมืองไม่ว่าเด็กหรืผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาจากบ้านจากเดือนด้วยกันทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนก็เนื่องมาจากพ่อแม่ผู้เป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้อุวาตสั่งสอนก่อนใครทั้งหมดแต่อุมายในการสั่งสอนย่อมเป็นไปตามคติของโลกเพราะเนื่องจากผู้ปกครอง ก็เป็นโลกอยู่ธรรมดาการแนะนำ ส, สอนจึงเป็นไปทางจิตบ้านการเรือนการกอร่อสร้างเนื้อตั้งตัวในทางคารวะหาความรู้วิชาก็เป็นไปในทางอาชีพเพื่อการอยู่เย็นเป็นจุดและความมั่นค ง, งของครอบครัวตลอดอถึงชีวิต ที่จะเป็นไปก็ให้เป็นไปด้วยความปราศุกราบรืองา น, นเป็นการอบรมในทางหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกพอเปิดความเชื่อเรื่มใสในพระศาสนาสละตนออกมาจากเพศนั้นก็มากลายเป็นเพศของพระขึ้นมาของเนนขึ้นมาบัดนี้การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกและเพศ ก็ย่อมเปลนไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงในทางเพศก็คือเปลี่ยนแปลงจากความเป็นคารวาสเยื่อเยือนมากลายเป็นเพศของพระของไหนความรู้สึกที่จะให้กลมกลืนกันกับเพศของตนก็คือระเบียบแห่งพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ความรู้สึกนึกคิดความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจ ย่อมมีเข็มทิศคือหลักธรรมวินัยเป็นทางเดินเสมอถ้าให้เพื่อนคราดจากหลักของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วโดยถูกต้องก็ไม่จัดว่าเป็นพระเป็นเนนที่สมบูรณ์แบบการทํำตนให้เลื่อนคราดจากหลักพระธรรมวินัยนี้เป็นความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคารวะาที่มีความประพฤติผิดเพราะเพศต่างกัน ความรู้สึกที่จะให้เป็นไปตามเพศของตนก็ต่างกันแต่ไปเอียงลงไปทางต่ำเสียแค่นี้จิงกายเป็นคนจริงละมกยิ่งกว่าคาราวาขอให้ทุกท่กทางที่เป็นน้กบวชมืวยกันโปรดทำความสำนึกภายในเพศของตนอยู่เสมอต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมในไปตลอดสาย ไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนนเส้นเสียแต่ลับซึ่งเป็นสิ่งที่สุดสิ่งที่สุดวิสัสยไม่สามารถที่จะปกครองตนหน้ในเวลาเช่นนั้นการมาบวชเป็นพระเป็นเนรจะทําให้ตามความชอบใจเหมือนอย่างค า, ารวะย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะผิดกับเพศของพระหน้าที่ของตนตามต้องคํานึงถึง หลักนักธรรมวินัยที่เป็นเครื่องประจำเพศของตมสมุนมีแลชื่อว่าเป็นสมณะที่ถูกตามแบบฉบับยว่าส ม, สมบูรณ์แบบของสมณะที่บวชมาการปกครองไม่มีสินใดที่จะปกครองยาก เหมือนกันกับการปกครองตนสําหรับพระเป็นเรื่องที่ยากแม้แต่ทางคารวะก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีต่างกันอยู่บ้างเพราะเพศเป็นเครื่องพาให้แตกต่างกันถ้าถึงยังไงก็ตามเรื่องการปกครองตนนี้ย่อมถือว่าเป็นของยาก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 ตนผู้เป็นเจ้าของสมบัติจะต้องปกครองตนเองโดยถูกต้องสมบัติที่มีอยู่และที่จะมีมาจริงจะมีอยู่ด้วยความร่มเย็นและมีมาโดยความชอบธรรมการจับจ่ายใช้สอยไปก่อนเป็นประโยชน์จากตนเนื่องจากตนได้รับการอบรมถูกต้องแล้วการจับจ่ายใช้สอยและการนําหาทรัพย์มาย่อมเป็นมาด้วยความราบรื่นและเป็นประโยชน์จากตนผู้เป็นเจ้าของเสมอไป นี่คือการปกครองตนเองให้ถูกต้องความหลักของคารวะแย่อเวียนผู้ที่ปกครองตนไม่ได้เนี้ยจะมีคาพชุมหมักบัดมากเท่าไรก่อนอันตรธ า, านไปเหมือนกันกับว่ามีปีกมีหางบินไปเรื่อยๆแต่ไม่ปรากฏว่าบินกลับมาเนื่องจากผู้เป็นเจ้าของไม่มีความฉลี่ยสะพืดตนไปตามความชอบใจ อะไรคำหนึ่งถึงว่าถูกผิดในการจับจ่ายที่หามาสินใดที่ได้มาก็ได้มาด้วยความเดือดร้อนจ่ายไปก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปุกรองตนเพื่อสมบัติตั้งหลายและเพื่อความมั่นคงแต่ตนในอนาคตจเป็นเรื่องจําเป็นทั้งทางคารวัดและทางนะำบุตแต่พอย่างยิ่งทางน้ำบวตไม่ค่อยมีการยุ่งเหยิงวุ่นวายกับ กิจารว่ามีหน้าที่ที่จะปกครองโดยตนโดยเฉพาะตามหลักของคตธรรมมิไหนเท่านั้นจึงควรที่จะมีแก่จิตแจ่ใจแน้นหนักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ลดละเราบวชเข้ามานี่เพื่อจะมาดัดแปลงตนเองสังหารแก้ไขสิ่งที่ เป็นคาสุดแก่ตัวเองที่พระพุทธเจ้าท่งให้นามว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองเบื้องต้นของข้อเศ้ า, ามองที่ใจระบายออกมาก็มาทําวาจาให้เศ้ามองหยาบยิ่งไปกว่านั้นก็ทําความประพุกทของเราที่ออกในทางกายให้เป็นสิ่งที่เศ้ามองไปด้วยแสดงอาการออกใดออกมาชื่อว่ากิเลสแล้วจะทําความสงสัยให้แอบบุคคลเป็นที่ยินดีสําหรับผู้ละ เป็นเจ้าของและผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงตำหนิตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดยอมตำหนิความสมองที่ให้น้ำว่าติเลลนี้ว่าเป็นภัยแก่บุคคลหรือแก่สัตว์เสมอไปไม่มีข้อยกเว้นหาชนะธรรมแม้จะสืบทอดกันมาจากพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆก็ตามแต่ก็ลงในหลักที่ถูกต้องด้วยกันคือ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 อย่างย่อยก็เป็นกิเลสอย่างใหญ่หลวงก็เป็นกิเลสไม่ว่าประเภทใดนะครับมีอยู่ก็ต้องทาใจให้สศรมองเมื่อพอใจส่งเสริมคิดขึ้นมาจะโดยความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวกว็าตามผลก็ต้องตามออกมารำงควา์นตนเองให้รับความไม่สะดวกเช่นเดียวกันนี่พระพทรุทธเจ้าท่านเป็สอนให้ละ สอนให้แกะไขทางที่ออกของกิเลสก็มีตาหูจมูกลิ้นกายทางที่เกิดของกิเลสก็คือใจสถานที่ข้องแวะของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เป็นสถานที่ข้องแวะ ของกิเลสที่ออกมาจากใจโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกไปแล้วผู้เป็นนักบวชมีหน้นาที่ที่จะต้องสังเกตสอบดูและแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารสิ่งที่เห็นว่าเป็นข้าศึกเป็นชั้นชั้นไปด้วยอํานาจแห่งความเพียนจึงเป็นผู้ไม่ควรลืมตนอย่างยิ่งหนึ่งไม่ลืมสถานที่ที่เกิดของกิเลสสองไม่ลืม ไม่ลืมทางเดินของกิเลสคืออยจนะภายในสามที่ข้องและของกิเลสทุกประเภทจะไปเกี่ยวข้องหรือผัวพันสังสมทุกข์ขึ้นมาให้มีจำนวนมากได้แก่อยจนะภายนอกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วผู้มีความสงวน รักตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่เศร้าหมองย่อมจะต้องร ะ, ระมัดระวังจุดทั้งสามหรือสถานที่ทั้งสามนี้ด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องพินิษฐพิจารณาการกรองหรือสอดรูเสมอไม่ได้มองเห็นสิน่งใดด้วยความเลื่อนเดิบเพ้อสติได้ยินได้สัมผัสเป็นตน้นในสิ่ง ที่มาเกี่ยวข้องกับใจโดยความไม่มีสติต้องระมัดระวังเสมอนี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรระวังสังรวมต่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดตามธรรมนาของใจที่มีกิเลสอยู่แล้วย่อมจะสั่งสมกิเลสในสถานที่เกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นๆจะเป็นดีเป็นชั่ว ตามความชอบใจของตนเห็นว่าดีว่าชั่วนั้นก็ตาจะต้องเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกั้นกรองด้วยแล้วจะเป็นแต่กิเลสร่นแรตาหูจมูกลิ้นกายจะทอดสะพานไว้ตลอดเวลาสาหรับเป็นทางเดินของจิตเที่ยวแสวงหาอาหารที่เป็นยาพิษมาเผารนตนเองได้มาโดยได้มาจากทางรูปบังทางเสียงนั่ง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 เราผู้เป็นนักสังเกตและพยายามแก้ไขตนเองเองยิย่งควรสำเนียสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจที่จะเดินไปตามสะพานคือตาหูจมูกดิน้นกายอันเป็นทางเดินมาตลอดเลยนะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้น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 เรื่องของตาหูจมูกดิ้นกายนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้เห็นได้ยินได้สัมผัสเสมอเพราะใจเป็นผู้พาให้รู้เสมอและสิ่งหรือสถานที่ข้องแวะเหล่านั้นก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจเป็นผู้มีความสนใจอยู่ตลอดเวลาที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากรับสินสัมผัสโดยให้คำหนึงถึงความดีชั่วสุขทุก์แต่อย่างไรนี่เป็นคติของใจ ามัญชนน เ, เป็นอย่างนี้แต่คติแห่งใจของบุคคลผู้เป็นนักปฏิบัติจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแต่จะให้มีเหตุมีผลมีเครื่องทดสอบดูดีชั่วสุขทุกขจากสิ่งที่มาสัมผัสกับใจและจากใจที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเสมอไปนี่ผู้ปฏิบัติต้องเดินไปตามทางสายนี้ เราจะเห็นเหตุเห็นผลจากความเพื่อนหมายท้องใจที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ทุกระยะระยะเมื่อใจได้รับการฝึกฝนอบรมทดสอบหรือแสดงเหตุผลให้ทราบจากทางปัญญาเสมอแล้วจะไม่ดื้อดึงหรืออาจเอื้อมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกมาแล้วโดยเห็นว่าเป็นคุณดังที่เคยเป็นมา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 จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ยังก่อกังวลหรือก่อเรื่องเกิตัวอยู่ไม่ได้ปล่อยวางกับเรื่องนั้นแล้วเข้ามาอยู่โดยลำทังตนเองไม่ได้จิตจะหาความสงบไม่ได้อุบาวิธีที่จะให้จิตสงบนี้แท้จริงที่สาคัญต้องใช้ทั้งทางด้านปัญญา ทดสอบและฟองดังที่กล่าวมานี้จากสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องสัมผัสและแสดงเหตุผลให้จิตได้ทราบชัดตามหลักความจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งดีชั่วสุขทุกจนจิตได้ยอมจำนนตนเองย้อนเข้ามาเลิกความไม่มีอะไร กับสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องนั้นเข้ามาสู่ความสงบได้เราเรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้ด้วยอุบาทวิธีนี้อย่างวิธีอย่างหนึง่งถ้ากำหนดโดยมีธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้าเป็นเครื่องอาศัยของจิตให้จิตได้ยึดอยู่กับธรรมนั้น โดยไม่มีความเสียดายกับอารมณ์อันใดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่กำลังพิจนารณาอยู่ทางนี้โดยความมีสติมีก็เป็นทางที่จะให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อีกทางความสงบทั้งสองทางนี้ผลที่ปรากฏขึ้นเป็นความเย็นใจจะเรียกว่าเป็นเอกัสกคาตารมคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้แก่ความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับถิ่นใดอย่างนี้ เหมือนกันทั้งสองประเทศแต่อุบายวิธาแต่สิ่งที่จะให้เกิดความเยกพายแปรฝาละจากกันก็คืออุบายวิธีที่จะทีท่ทำจิตของเราให้มีความสมบงบลงได้ด้วยปัญญานี้รู้สึกว่าเกิดความกระาหารต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จิตจะถอนขึ้นมาแล้วกว็าตามเป็นเหตุให้เกิดความราหายต่อ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 ด้วยความสนใจจริงๆเลวจะเป็นผลขึ้นมาดังที่กล่าวเหมือนกันคือทำความสุขดำรงตนอยู่ได้โดยลำางสนเองซึ่งไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวข้องเลยในวลนั้นคิด ท, ที่ดำรงตนอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับรารนั่นแหละท่านว่าคิดเป็นอิสระเสีดี จะเป็นชั่วขณะก็าตามเรียกว่าอิสระเฉดีได้จะเป็นเพียงขั้นนี้ก็าตามก็เรียกว่าอิสระเฉดีของกิตในขั้นนี้ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นไปกว่านี้และสงบได้มากขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นอิสระเป็นชั้นๆขึ้นไปเนี่ยทำที่กาวเหล่านี้ เป็นธรรมจาเป็นสําหรับนักบวชเราอย่างยิ่งผู้บวชมาในพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งควรจะประหนักใจในจุดที่กล่าวนี้อย่างยิ่งจุดนี้แน่เป็นจุดที่จะเห็นทั้งโทษทั้งภยัยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งความสุขความเจริญภายในตนเอง เห็นทั้งโทษ ภ, ภายนอกด้วยภายในด้วยเห็นทั้งความส่สวนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดภายในตนด้วยเพราะนี้เป็นจุดของโลกคำว่าโลกเราอยากเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นโลกโดยว่าธรรมชาติที่รู้นี้ไม่ใช่โลก แท้จริงก็คือธรรมชาติที่รู้คือใจนี่แหละเป็นหลักของโลกของธรรมงหลายและเป็นผู้ที่หลงโลกติดโลกคือสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปการพิจารณารู้ธรรมชาตินี้ด้วยอุบายที่ชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจัดว่ารู้ทั้งโลกด้วยรู้ทั้งธรรมด้วย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 จปนปัจจุบันและอนาคตนั้นจะเป็นประโยเช่นน้มาสิ้นสุดตรงที่ใจได้หายสงสัยกับสิ่งที่เป็นเหล่านั้นแยกกันออกได้โดยความไม่มีเสียดายอะไรตามหลักธรรมคือปัญญาและรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับโลกว่า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 ดังสาวกทั้งหลายได้รู้ตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกอราหารันท่านเหล่านี้ชื่อว่าท่านรู้ทรรมโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของท่านส่วนตีกย่อยที่จะรู้กว้างขวางมากมายไปที่ไหนนั้นตามแต่นิสัยวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันย่อมมีเดือมล้ําตามสูงต่างกันและกว้างแค่ต่างกันอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ถือเป็นสิน่งจาเป็นและสคัญอะไมากนะ ยิ่งกว่าความรู้ทาในหลักธรรมชาติรู้ตนโดยรอบครอบรู้โลกโดยรอบครอบรู้ธรรมโดยรอบครอบโดยสุดหมดจดอยู่ที่ใจเพราะเรียนเรื่องของใจจบนี่แหละเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างเรื่องของใจนี้เป็นเรื่องมากมาขาดของสลับทรับซ้อน จึงควรเรียนให้จบหาเรียนเรื่องของใจจบแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาทําการกอคกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือความเพลิดเพลินฟุ้งเฟ้อเถื่อเหมือ น, นอย่างที่เคยเป็นมาสิ่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แฝงไม่ใช่เป็นสิ่งดั้งเดิมและเป็นหลักธรรมชาติจึงมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้นี่เป็นสิ่งสําคัญ กาเรียนนี้จบแล้วอยู่ที่ไหนก็สามารถเรื่องพบเรื่องชาติต่างคนต่างชาติตางเกิดมาตายด้วยกัเกิดมาตายไปด้วยกันจนนับไม่ถ้วนก็คือเรื่องของแต่พาผ่านมาแล้วอย่างชาตินี้ไปปรากฏตัวในชาติหน้าก็ลืมชาตินี้เสีย แล้วเข้าใจว่าตนไม่เคยเกิดเกิดชาติไหนตายในชาตินั้นตนเองยังไม่สามารถจะทราบได้ในการเกิดการตายของตนยึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสั ย, ยต่างๆเช่นสงสัยว่าตายแล้วไม่ได้เกิดบ้หรือตายแล้วสูญอะไรทาไมนี่เป็นเรื่องความหลงเรื่องของตัวเท่านั้นยิงเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากเรื่องของจิต หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนลงทุกบททุกบาทสอนให้รู้เรื่องของตัวเองสอนให้รู้เรื่องของใจที่เป็นเจ้ามายาเป็นนักท่องเถียงเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดสายไม่มีจบขิ้นลงได้ว่าเงื่อตนตน้นต้นเงื่อนตายอยู่ที่ไห น, นก็คือเรื่องของจิตเพราะจิตไม่มีเงื่อตนต้นเงื่อนตายมีแต่ความรู้เท่านั้นแต่ความรู้ของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงการส ม, มุนังที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ ความรู้อันแท้จริงนั้นมีความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่อาการของที่เกิดขึ้นจากหลักอันดั้งเดิมคือใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งไหนมาเกี่ยวข้องมีลักษณะอย่างไรวีชั่วตลอดถึงสีสันมันนะมีลักษณะอาการแบบนั้นจิตจะต้องแปลสภาพไปตามอาการนั้นนไม่มีสิ้นสุ ด, ดจิตจึงจัดว่า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 สามารถตดเรื่องหรือดูเรื่องของตัวเองได้อย่างแทเจรงดังพระพุทธเจ้างลัาเป็นต้นโดยทรงรู้เห็นตลอดสายในความเป็นมาของพระองค์โดยไม่มีข้อสงสัยจึงได้นำวิชาที่สมบูรณ์แบบออกมาจากคำที่ว่าสวด ข, ขาตธรรมนี้มาสองโลกและเป็นวิชาที่แน่นอน ไว้ใจมากถ้าผู้ปฏิบัตินำหลักวิชาที่พระองค์ท่านสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเอ ง, เองจะเห็นเรื่องของตนเป็นชั้นๆไปจนสามารถรู้เรื่องของตนได้โดยรอบขอบสิ้นสุดในเรื่องของตนโดยไม่มีทางกระ ส, สุนใสต่อไปการเรียนเรื่องของตัวเองนี้จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย โดยเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าจะรู้เรื่องของตัวถ้าเรายังไม่รู้เรื่องของตัวในแง่แงใดหรือรู้เรื่องของตัวโดยสมบูรณ์ดูกราบไปเรื่องของจิตนี้จะร้างแสดงความหิวโหยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดไปเพราะไม่ทราบตรงเรื่องต้นเหตุว่าใครเป็นผู้อยากรู้ใครเป็นผู้อยากเห็น ใครเป็นผู้เกิดผู้แก่เจ็บตายใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลมาําบากมาตลอดชีวิตคือใครไม่ทราบต้นเหตุการเรียนธรรมะจิงเรียนเข้ามาหาต้นเหตุคือใจถ้าจะพูดถึงสัตจธรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้แสดงสัตจธรรมออกมาอย่างเปิดเผยเช่นเกิดก็ อ, ออกมาจากใจถ้าใจไม่มีสัตจธรรมจะหาที่ไหนไม่ได้ต่างอันต่างจริงอยู่ตามธรมรมดาเราจะเรียก เพราะว่าเป็นสัจจะหรือไม่เป็นสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นมนาตรฐานสำคัญที่ตัวใจเนี่ยเป็นตัวสัจธรรมแต่ไม่รู้เรื่องของตัวมีเท่านั้นจึงทําให้ในรับความทุกข์ความลําบากไม่มีจบจริงและไม่ว่าใจของผู้ใดก็ต้องเป็นคาลองเดียวกันและไม่มียาขนานในมาแฝงนอกจาก หลักธรรมของพระพธิจาที่ตรมฉะนั้นโปรดให้ทุกๆท่ทานไล่ิสุจเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องเกิดเรื่องตายซึ่งแสดงอยู่กับตัวนี้ให้เห็นชัดจั ก, กรรมจัดความสงสัย หรือกุงเฟอ้เฟอผเหมือมีความอยากเป็นเครื่องขักดันอยู่ตลอดเวลานั้นได้เป็นลํำดับจนสามารถถอดถอนความอยากที่เป็นเครื่องขักดันนั้นออกได้ใจก็หมดความอยากคนเราทั้งหมดความอยากแล้วก็สบายแม้แต่หิวข้าวก็ไม่สะดวกเป็นความทุกข์หิวมากเท่าไหร่ก็ยินเป็นทุกข์มาก ถารับทานให้อิ่มน้ำกำลังเยอะแล้วความอยากก็หายไปเราก็สบายแต่อันนั้นเป็นขึ้นเป็นบางครั้งบางการแต่ความอยากของจิตมีรู้สึกจะมีอยู่ตลอดเวลามันเลือกการสถานที่เวลาไหนเป็นอยู่เช่นน้นมีความหิหวโหยอยู่กับด้วยอารมณ์อารมณ์โดยมาก ที่ขีดมีความมีหัวต้องการนั้นเป็นอารมณ์ที่เกลื่อนไปด้วยอยากขิดทางนั้นจึงไม่สามารถที่จะระงับดับขีดตัวอยากนั้นให้หายอยากไปได้นอกจากหลักธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องแก้ไขเมื่อแก้ไขความอยากได้มากเท่าไรลดชาติคือความอิ่มพอก็แสดงขึ้นมาเป็นระยะระยะ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 ไม่นี้หลักจากคำว่าตมหรือใจแล้วท่านคุณนั่นจะมีจุดหมายปลายทางเป็นที่สมหวังคำว่าความเพียรเคยได้อธิบายให้ทราบกันมาทุกประยะักษเพียนอย่างอยากอย่างกลางอย่างละเอียด จัดว่าเป็นความเพียรทั้งนั้นโอเอยู่กับความเพียรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อของเพื่อเพียรเพื่อคํา